เรนสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านพบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อัตมาภาพจะได้นำธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคโลที่ได้แสดงไว้ต่อจากข่าวที่แล้วมาสู่ท่านสาธุชนในเรื่องเพชรน้ำหนึ่งซึ่งท่านได้บรรยายให้แก่คณะพยาบาลโรงพยาบาล เจษเมียนานารีอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้รับฟังเนื่องในโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างจริยธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในการทำงานจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังสารธรรมจากธรรมบรรยายเรื่องเพชรน้ำหนึ่งต่อจากขราวที่แล้วโดยพร้อมกันณนะบัดนี้ และปฏิบัติแล่รู้ผลเองเห็นผลเองถ้าปฏิบัติได้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือศีลสิกขาให้ถึงอทิศีลสิกขาจิตตสิกขาใหถึงอธิจิตตสิกขาแล้วจะเกิดปัญญาอบรมปัญญาให้รูอ้อ่ทางเจริญให้มีความเจริญสันติสุขพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้มันจริงแห เพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติทางทางดีนะส่วนทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเรียกว่าบาปอกุศลปฏิบัติไปเถอะถึงความทุกข์เดือดร้อนในไม่ช้าในภพชาตินี้และก็ภพชาติต่อต่ อ, ตอไปนี่เพราะฉะนั้นพทะเจ้าท่านสอนให้ละโดยการรักษาศีลให้ทำความดีและชำระจิตใจให้ผ่องใสโดยการทำสมาธิ แล้วทำสมาธิแล้วเกิดปัญญาอ๋อเราเห็นนี่แหละเหตุแห่งความเจริญ น, นี่เหตุแห่งความเสือ่อมคนรู้ที่ไหนในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเมืองนอกหรอกเมืองนอกเนี่ยมันโง่ดักดานไปแล้วเรื่องนี้หมกมุ่นในกิเลสกาม ส, ส, สัมสันในกิเลสกามทั้งหลายทั้งปูงมันรู้ไหมว่าโทษเกิดจะเป็นยังไงตายไปไปเป็นปเฟรตเบาๆ ถ้าว่าผิดศีลข้ อ, ขอกาเมสุมิชาจาร์มากๆหนักลงไปหน่อยก็น่นและนรกจริงๆหรือไม่หนักยังไปมืดมัวเมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทสุนัขไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นกันเกรื่อเห็นไหมแล้วยาเสพติดนี่ทั้งหลายอะ อ้างตนว่าเป็นพุทธน่ยแต่เสพกันขรึดไปหมดก็แสดงว่ารู้ไม่จริงมันไม่ใช่ให้โทษเฉพาะปัจจุบันนะคุณหนูปัจจุบันในเราเห็นมันก็เหมือนเปรตอยู่แล้วใช่ไหมเออเหมือนเปรตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาปลาปิ้งลงคนติดเล่าจนเดินในกลิ่นสาเหล้าละมุดสุกหึงลองดูทีทรงเดียวกันกับเปรตนั่นแหละงอกรงห ง, งาย ถ้าติดไอ้พวกยาบ้าก็พร้อมเป็นกระรองเทศตารอลอยผิวหนังแห้งริมพิปากเขียวนั่นใกล้เปรตก็ไปทุกทีนั่งๆขอตกจับเจาเจาจุกเหมือนเปรตมีประเภทนี้แล้วพอตายไปมันก็เป็นจริงๆแล้วแต่ระดับไหน อย่างนี้เป็นตนไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันเห็นได้เห็นเหตุแห่งความเจริญเห็นเหตุแห่งความเสื่อมเราก็เลิกละได้หลวงตาจะเล่าให้ฟังเอาซะตัวอย่างหนึง่งสมัยที่หลวงตาเป็นข้าราชกมีลูกสาว สมัยนั้นลูกสาวคนเล็กอายุสิบสองขวบคนโตสิบสี่พาไปปฏิบัติที่วัดปากน้ําคนกลางก็สิบสามไล่กันเดี่ยวเลยหัวปีท้ายปีหยุดมีแค่นั้นสามคนเอาไปปฏิบัติทำด้วยคนโตก็ถึงธรรมกายคนเล็กก็ถึงธรรมกายคนกลางก็ถึงนิดหน่อยนะคนกลางเนี่ยแกกลัวกลัวนรก พอเชี่ยวแล้วก็จะให้ไปดูนรกแกกลัวนรกแกก็เลยไม่ยอมต่อไม่ยอมต่อธรรมะไอ้คนเล็กกับคนโตไม่กลัวแตนี่เอาเรื่องกาเมสุมิชาจารย์เอาพอดีเห็นสุนัขมันทำกิจกรรมของมันแล้วมันก็เห่ากันคร้ม ไอ้ตัวใหญ่ก็เป็นแข็งแรงที่สุดก็เป็นตัวชนะยืนกลางอย่างนั้นครูก็บอกว่าให้เอาให้ดูที่ว่าไอ้สุนัขตัวนี้อดีตชาติมันเป็นอะไรเอาดวงธรรมของสุนัขมาตั้งที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ตรวจพบชาติของไอ้สุนัขตัวนี้ ระลึกไปข้างหลังเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกระลึกไปข้างหลังเพราะเด็กถึงธรรมกายนี่ที่ประจกักษ์สุมันเกิดพอเจริญฌานสมบัติผ่องใสที่ประจกักษ์สุก็เกิดระลึกไปข้างหลังในอดีตชาติแรกถัดไปในอดีตยังเป็นสุนัขชาติที่สองเป็นสุนัขชาติที่สามยังเป็นสุนัขพอชาติที่สี่เป็นคน แล้วก็ตรึกดูที่ว่ามันคนนั้นมันทอยังไงมันถึงตายแล้วมาเกิดเป็นสุนัขพิดข้อกาเมสุมิฉาจาร น, นี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องพิสูจนไม่ได้นะคพิสูจน์ได้แต่ต้องพิสูจน์โดยวิธีการที่ถูกต้องทางศีลสิกขาให้ถึงอธิศีลสิกขาจิตตะสิกขาให้ถึงอธิจิตตะสิกขาปัญญาสิกขามันก็จะเกิด ถึงอธิปัญญาสิกขาเห็นเหตุแห่งความทุกข์เห็นเหตุแห่งความเสื่อมนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาเองหลวงตาเองสมัยนั้นมันก็เริ่มตั้งชีวิตมันก็เงินเดือนก็ดีบีเลี้ยงก็มากถ้าออกท้องที่ เพราะฉะนั้นมันก็ใช้จ่ายเงินไปในทางสนุกสนานสุรานารีพอมารู้อย่างนี้เขามันต้องหยุดกึกเนเพราะเดี๋ยวโรคติดต่อไปถึงลูกถึงหลานอย่างนี้เป็นต้นก็ตรวจต่อไปอีกโยมพ่อของหลวงตาหรือโยมปู่ของหลานของลู ก, ลกตรวจแบบเดียวกันหาโยมปู่ ริยมพ่อของหลวงตาดื่มสุราวันละกลงชาวกงเย็นกงพอรับทานอาหารอร่อยไม่มีก็ไม่ดื่มมีก็เอาเท่านั้นแหละตายไปอยู่ในนรกนรกจริงๆก็พิสูจน์กันสอบยานสอบรู้กันก็รู้ว่าเป็นโยมพ่อของหลวงตาหรือปู่ของเด็ก นี่พูดลัดตัดความเพราะฉะนั้นคนยุคใหม่มันไม่รู้ไม่เห็นเพราะมันไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้และยิ่งการเรียนในยุคใหม่เรียนกันแบบฟิโลสอฟีใครๆก็เขียนธรรมะเอามาอ่านมาวิจารณ์แต่ปฏิบัติยังไม่ได้เรื่องอ่านตามตำรา พระไตรปิฎกบ้างคำภีร์บ้างก็มาตีความอธิบายความเท่านั้นแต่จริงๆไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นก็เลยออกนอกลู่นอกทางไปถึงขนาดวันรวนรกสวรรค์ก็ไม่มีจริงอ่ะไอที่พูดมานี่มาแต่งขึ้นทีหลังน่นว่าก็ไปน่วลไปแต่งขึ้นทีหลังพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในคำภีรอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสนี่หนึ่งไม่มีสองเนี่ย พวกที่พูดในพระน้อยใหญ่ทั้งปวงที่ไปเรียนปริญญาตรีหรือเอาละสำเร็จปริญญาโทอะไรกันแล้วแต่ว่าตัวเองนี่มันเก่งเหลือหลายที่แท้สู้เด็กสู้เน้นเนี่ยนั่งอยู่นู่นนไม่ได้สู้แต่เน้นมันไม่ได้มันรู้เห็นมากกว่าปัญญาเกิดนี่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนอย่างนี้มาเรียนอย่างนี้ ให้มารู้มาเห็นตั้งใจปฏิบัติเข้าตามรอยบาทพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่ได้มาฟังใครเนี่ยคืนวันจะตรัสรูนะ้วันเพ็ญเดือนหกสองันห้ายแปดสิบกว่าปีมาเนี่ยระทับนั่งคู่บันลังนั่งสมาธิไต้ ต้นพระศีมหาโพธิผินพระพักไปสู่แม่น้ำเนรัญชาราผินพระปริสางไปสู่โคนต้นโพธิ์เจริญฌานสมาบัติขึ้นตนเลยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตยฌานซึ่งพระองค์ทรงคล่องแคล่วมาของแค่ลัดนิมมือเดียวก็ถึงแล้วไอ้เราก็นั่งคลาไปเกือบตายไม่คยจะเป็นแต่พระพุทธองค์น่ะลัดนิมมือเดียวจิตใจผ่องใสน้อมไปเพื่อจุตู เพื่อปุบเพในวาสานุสติญาณคือหรืออีกในหนึ่งก็คืออตีตังสยานคือยานรู้อดีตนูทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอุหูนับพบนับชาติไม่ท่วนไปสวรรค์มั่ไปนรกเมืง่งวนเวียนอยู่นั่นไม่มีที่สิ้นสุดจึงทรงสงสัยว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกเป็นอย่างนี้ พอในยามกลางแห่งราตรีก็จะเริอนชานสมบัติอีกเพราะมันสงสัยนี่ต้องให้ใจสงบพอสงบถึงชานที่สี่ผ่องใสควรแก่งานแล้ว ท, ปทิประจักสูตรทิปโสดแจ๋วดูอ่อสัตว์โลกทํากรรมอย่างนี้เรียกว่ากรรมดีได้ผลดีต่อไปในอนาคตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปสวรรค์อย่างนี้หรือเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในพรหมโลกอย่างนี้อย่างนี้ คนที่ทำกรรมไม่ดีก็ตรงกันข้ามไปทุกขติไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์นิรันดร์อย่างนี้อย่างนี้ทรงเห็นตลอดหมดเหมือนอะไรเหมือนทรงเห็นมาขามป้อมวางอยู่บนฝ่ามือเพราะพระองค์พระยานใหญ่ยานเครื่องตรัสรู้กว้างขวางไม่มีประมาณไม่ใช่เฉพาะจักรวาล น, นี้นะ แสนโกรธจักรวาลทรงเห็นตลอดหมดพุทธญาณอย่างงั้นเชียว น, นะแล้วไอ้เรื่องนรกจนกระทั่งถึงนรกโลกรันเนี่ยโลกันแดนนรกมันอยู่นอกนอกจักรวาลนขอบจักรวาลเหมือนกับเธอเขียนวงกลมสามวงเนี่ยชนกันไอ้ตรงกลางนั่นน่ะนั่นแหละเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกรันไอ้พวกที่นักมวยเขา โฆษณามวยบอกแหมวันนี้ศึกโลกันไงโอ้โหมันคงอยากไปเต็มทีแต่มันเข้าไปแล้วมันจะรู้เออเอาให้มันสะทานหรือสะทานโลกันโลกันไม่สะานไอ้คนสะทานคือไอ้คนพูดหรือไอ้คนมันจะไปนั่นแหละมันจะสะทานะทีนี้มันลงไปแล้วหนาวสะทานนะเพราะว่าน้ำกรดนั้มันเย็นหมดแล้วเหมือนแป้งใสลงไปในน้ำกรดฟู แต่เกียตะกายขึ้นมาใหม่ไม่ตายคือตายแวบเดียวมันไม่ถึงก็ตายนะขึ้นมาใหม่แต่เกียตะกายอยู่ตามขอบจักรวาล น, น ะ, นะไอ้นั่นพวกมิจฉาทิฐินะหนักเลยแหละไอ้นั่นไม่ได้อยู่ในแม้แต่จักรวาลต่ำลงไปกว่าเอาเวจีมหานรกอีกนับตั้งระยะเวลาระยะไกลไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน พอเห็นอย่างนี้แล้วทรงสรุปในเบื้องต้นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมยังไงล่ะกรรมดีกรรมชั่วนี่นะทรงเห็นนะเสร็จแล้วก็นาริว่าเอ๊ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้มันถึงหลงผิดอย่างนี้ในยามปลายแห่งราตรีเข้าฌานอีกพอเข้าฌานอีกจนพองใสแล้วทีนี้วิเคราะหละ์ล่ะ นี่แหละที่หลวงตาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้พุทธศาสนาเป็น pure science แต่เป็น natural science เป็นวิทยาศาสตร์แท้ทางธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยทรงเห็ น, นเห็นหมดเหมือนมาขามป้อมอยู่บนฝ่ามือไม่ต้องตั้งเป็นทฤษฎี ไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์บนโลกเรานี่ต้องตั้งเป็นทฤษฎีเผลอๆนานๆไปมีคนมีข้อมูลใหม่เห็นไหมทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเหมือนเมื่อวานคุยเรื่องดรอัลเบิร์ตไอน์สไตน์พอได้ข้อมูลใหม่อ่าไอ้คนตั้งทฤษฎีเก่ามาผิดผิดซะแล้วเห็นไหมทฤษฎีก็ลม้มหรือตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตั้งทฤษฎีนะเห็นความจริง เห็นธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็น natural law เป็นอย่างนี้ทีนี้ทรงเห็นยังไงวิเคราะห์เลยโอ้ทำไมถึงสัตว์โลกถึงทำกรรมชั่วก็เพราะมันมีกิเลสนี่ง่ายๆนะเออกิเลสตัณหาอุปาทานเอ๊ะทำไมมันถึงมีกิเลสตัณหาอุปาทาน เพราะมันไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอวิชชาที่หลวงตาพูดเมื่อคืนนี้ความมืดไม่รู้อดีตเหมือนที่พระองค์รู้ไม่รู้อนาคตเหมือนที่พระองค์รู้ไม่รู้เหตุและผลสืบเนื่องกันให้เกิดทุกข์ไม่รู้สัจจะความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์ สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานไม่เคยเห็นเป็นที่ที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยไปเพราะมันอยู่พ้นโลกและผลทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไปเปะๆปะๆนะมันถึงได้ประกอบตนคือประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา ที่ไม่ดีเรียกว่าบาปอาคุลทางกายทางวาจาและทางใจมีผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งในพบชาติปั จ, จุบันและอนาคตข้ามพบข้ามชาติเพราะฉะนั้นความทุกข์เอาง่ายๆบางทีคนที่จเจริญ้วยลาบยศศักะระสรนเสริญสุขมีความทุกข์ยิ่งกว่าไอ้คนอยู่ธรรมดานั่งธรรมดามีความสงบสงบ อยู่สองคนตายใหญมีรายได้เท่านี้เท่านี้ก็พอแล้วสุขกายสบายใจกว่าถามจริงๆเนี่ยเธอลงนึกดูพวกนักการเมืองทงั้งหลายมีแต่ความตะเกียกตะกายด้วยตัณหาและทิฏฐิความหลงผิดมากกิเลสตัณหาอุปาทานหนาแน่นมีทั้งสุรานารีพาชีกีลาบัตรพร้อม นักการพนันก็มีนักเลงผู้หญิงก็มีระดับสูงๆแหละพูดไปทำไมมีอย่าไปเอ่ยชื่อหนังสือพิมพ์มันรู้ดีรัฐมนตรีหรือไม่ก็นายกรัฐมนตรีบางคนอย่างนี้หมกมุ่นในกิเลสกรรมแล้วก็ทั้งหมดทั้งชีวิตเขาจริงๆเขามีความสุขหรือเปล่า ต่อให้ดื่มเบียร์หรือดื่มอะไรอะไรอาหารประเภทไหนวิเศษวิโสเสแค่ไหนไม่มีความสุขหรอกบางคนเลือกตั้งทีนึงไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนเธอเชื่อไหมไม่กล้านอนบ้านจะถูกเขาฆ่าตายมันแข่งขันกันนี่ใช่ไหมรู้หรอือเปล่าดูที่พวกนักการเมืองมาสนุกไหมไม่สนุกหรอก แต่ตะเกียกตะกายอยากได้ลาบยศสักการะสันเสริญสุขอยากใหญ่อ ย, ย, ยากโตอยากมีอำนาจเดินไปไหนให้คนก็สู้ฮกแต่มันของขี้หมาของไรสาระไม่มีแก่นสารเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาหาเงินใหม่กรอบโกยกันไปหากันไปบางคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนแทบจะผูกคอตาย มีความสุขที่ไหนสู้แต่นั่งเฉยๆธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้เดินไปไหนไม่ต้องกลัวใครก็้ามาทำไรพวกนี้ไม่ได้นะเวลาเลือกตั้งมันแข่งขันกันสูงเนี่ยทุ่มเงินเกทับกันไปเกทับกันมาเอ๊ะนักๆเข้าเงินเราจะไม่พอแล้วเก็บมันซะเลยดีกว่าเน่หรือไม่ก็เงินน้อยหน่อยไอ้หัวคะแนนมันดันไปรับเงินอีกที่แห่งหนึ่ง เพิ่มมาด้วยเพราะมันเกกันไปเกกันมานี่ยไอหัวคะแนนเลยถูกเด็ดหัวไปเลยนี่ก็มีใช่ไหมเยอะแยะไปปัญหาสาราพัดนี่คือการเมืองการเมืองในเมืองไทยนะีและก็เมืองที่ด้อยพัฒนาทั้งหลายแต่าการเมืองที่สูงๆเขามันเต็มไปด้วยอุดมการมีหลักการคนประชาชนทั้งหลายรู้ อะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีตามที่เป็นจริงไม่มีปัญหาก็เบาหน่อยแต่ว่าความตะเกียกตะกายคือตัณหาที่ไม่รู้จักจบสิน้นมันนาไปสู่ความทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้ น, ต, น, ต, น, ต, น, ต, นต้นเหตุให้เกิดทุกข์โดยการวิเคราะห์อย่างนี้วิเคราะห์กลับไปกลับมาเขาเรียกว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม เห็นว่าอวิชาคือความมืดนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติชรามรณะทุกข์นี่ง่ายๆนะเล่าให้ฟังง่ายๆแต่ปฏิบัติจริงมันไม่ง่ายอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าถามว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายเธอลงไปนั่งเงียบๆดูอะไรคือแก่นสารสาระ ของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอะไรเป็นแก่นสาราระเรามีที่พึ่งของเราเองหรื อ, อยังเอาละในทางโลกมันต้องทำมาหากินถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเราอย่าลืมถามตัวเองเรามีที่พึ่งประเสริฐหรื อ, อยังและที่พึ่งประเสริฐนั้นต้องทำเองต้องปฏิบัติเองเราถึงจะรู้เองเห็นเองถึงเองแล้วก็เป็นเอง จะให้ใครเขามายกให้เราแบบเขาหลอกกันในาศาสนาอื่นไม่ได้เพราะเขาเองต่างก็ไม่เคยเห็นทั้งอดีตและอนาคตแต่ในพุทธศาสนาของเราเห็นได้ปฏิบัติได้พิสูจน์ได้นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้หลวงตาเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นพออ๋อลูกเขาเห็นอย่างนี้นี่เอง ออนี่คือทุกข์เนี้เราไม่เคยรู้เลยวันนรกมันเป็นยังไงเออนี่เปรตนั่งธรรมะไปบางทีเปรตมันก้าวสวบสว บ, สวบห่างจากญาตก้ายวยบกยไปเท้าไม่ถึงพื้นก้าวหนีไปร้องวีดเสียงมันวีดนี่หรือว่าเมื่อนั่งธรรมะอยู่อ่อเทวดาเข้าอนุโมทนาบุญอย่างงี้อย่างนี้เนี่ยพอมันเห็นอย่างนี้มันก็รู้ละอยนี้ พิสูจน์ได้พระพุทธศาสนาของเราพิสูจน์ได้สันทิฏฐิโกโและก็ปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นวิสัยของวินยูชนคือผู้ที่จะมีคุณธรรมปฏิบัติในศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาให้ถึงอธิอธศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นแหละวินยูชนตัวจริงพึงรู้แจ้งด้วยตนน่นอย่างนี้น พอรู้แล้วก็เข้าถึงเหมือนเราเห็นทองเนี่ยเราจะไม่จับทองได้ไั้ยใช่ไหมล่ะออขุดดินว่าจะไปหาทองหรือจะไปหาแก้วเห็นแก้วก็ต้องออกถึงแล้วเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ขุดนั่งอยู่เฉยๆรอยแก้วมันโผล่มาหาเรามีทางไหมไม่มีทา ง, ทางเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมมาทำอย่างนี้มาละความชั่วหรือบาปอากุศล แต่ต้องเรียนรู้ว่าไอ้ความชั่วหรือบาปอาคุณมันมีอะไรบ้างแม้กระทั่งกิเลสในใจเราเป็นเรื่องสําคัญเราต้องเรียนรู้และกําจัดกําจัดโดยวิธีไหนละความชั่วไปจนถึงกิเลสซึ่งเป็นเหตุนําเหตุหนุนกระทําแต่คุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลจําระจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรแล้วพิจารณาสภาว่ธรรมให้เกิดปัญญาทีนี้ปัญญาจะเกิดจากเราตัวเราเอง แล้วเราจะรู้ว่าชีวิตทั้งชีวิตต่อไปนี้หน้าที่รับผิดชอบของเราเองต่อตัวเองกระทําเพื่อตัวเองคืออะไรจึงจะมีที่พึ่งประเรสริฐสําหรับตนชีวิตน้อยนักเหลืออยู่ไม่กี่ปีก็ตายแล้วใช่ไหมใครจะอยู่ร้อยกว่าปีก็บอกมาใช่ไห ม, มเห็นตายกันหลัดหลัดหลหลัดรู้ใช่ไรเพราะฉะนั้นนี่ประมาทไม่ได้เพื่อนหลวงตาตายกันไปเยอะแล้วเยอะแล้วหลายแล้ว เดีนี้หลวงตาก็ยางเจบแล้วนับลงแล้วถอยหลังแล้วแต่ถอยไปเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่นับถอยไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลเฉพาะหลวงตาเองที่สละชีวิตทางโลกมาเพื่อช่วยมาชี้แนะปัญญาชนอย่างพวกเธอนี่แล้วก็ช่วยชี้แนะเด็กๆที่มันยังไม่ค่อยจะเดียงสาให้มันดีขึ้น แล้วก็ชี้แนะปัญญาชนอย่างพวกเธอให้เร่งมาทำความดีละเว้นความชั่วชำระจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็จะได้เจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วเราจะละวางจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดแล้ว ก็ปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นสิ่งที่เป็นแก่นสารสา ร, สาระในตัวเราหรือเพื่อตัวเราเองคือการสร้างพระในใจตนนั่นแหละที่พึ่งประเสริฐธรรมกายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี้คือที่พึ่งประเสริฐของทุกคนไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาราคาไม่แพงเสียแต่ค่ารถมาวัดนี้เท่านั้นแหละนะเออมาปฏิบัติเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พากันมาเยอะ เพราะมาอย่างนั้นก็น่าสงสารคนที่ไม่ได้มามแล้วก็พาพ่อแม่มาด้วยกุลระบุตรกุลธิดาใดพาพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้กลับมามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มากอยู่แล้วให้แก่กล้าให้เจริญให้มั่นคงกุลระบุตรกุลธิดานั้นชื่อว่า ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้คุ้มกับพระคุณพ่อแม่แต่ว่าทดแทนโดยวิกฤตีอื่นในระดับโลกียะแม่เธอทั้งหลายจะมีอานาจบรรดาลมีอะไรอะไรทำให้พ่อเป็นจักรพัททำให้แม่เป็นอัครมเหสีประกอบด้วยทรัพย์สิงคารให้ท่านเสวยสุขตลอดชีวิตท่านมีความสุขเพียงชาติเดียวเพราะฉะนั้นยังไม่คุ้ม พระคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้กำเนิดเรามาเนี่เรามีโอกาสได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมารู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรเจริญอะไรเสื่อมรู้ถึงทางมรรคผลนิพพานและเมื่อเราปฏิบัติไปตามนี้เราจเจริญไปตามลำดับเลยไม่ตกตา่าจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องเกิดอีกตายแต่เฉพาะไอ้นี้เบญจขันธ์เพราะฉะนั้นพระคุณของพ่อแม่จึงมีมาก โดยประกาศรัชนีแต่อยากจะรู้ว่ามากเท่าไรวันที่ส6บหนะ่ไม่ใช่วันที่เกที่เก้านี่คนอื่นออกออกอากาศนหะมีพระท่านเจ้าคุณวัดประยูรวงท่านออกวันที่เก้าน้ำใจของแม่แต่หลวงตานี่มันขาประจำอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนก็ไปออกวันที่ส6ว่าพระคุณของแม่ ถ้าอยากจะรู้พระคุณของแม่รายละเอียดติดตามไปฟังวันที่สิบหกเวลาแปดโมงเ้าเปิดไปเถอดเจอทั้งทั้งนั้นแหละเพราะมันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วจะรู้ว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรจึงจะคุ้มกับพระคุณของพ่อแม่นะอย่าลืมพาพ่อแม่มานั่นแหละคือการทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ยิ่งกว่าอย่างอื่นนะ เอาละเมื่อเธอทั้งหลายพอเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติให้ดีแม้เวลาเหลือน้อยก่อนที่จะจากไปในวันพรุ่งนี้ตั้งใจให้ดีหลวงตาขออานาจคุณประสีรัตนตรัตรตรยจงได้โปรโดบุญบรรดาลอภิบาลคุ้มครองทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายให้ปราศจากความทุกข์โศกรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตะวันตรายทั้งปวง จงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตยธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลลนานเทินขณะนี้สาธุชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นสารธรรมจาก ธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลในเรื่องเพชรน้ำหนึ่งซึ่งท่านได้บรรยายให้แก่คณะพยาบาลที่เข้าไปศึกษาและอบรมเนื่องในโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับโรงพยาบาลขอเชิญสาธุชนติดตามรับฟังธรรมะในรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของธรรมะส่สันติก็หมดลงแล้ว ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิญเจริญพอ